ถ้ามีรูปชายที่เป็นพระที่เป็นเลนที่เป็นเด็กก็ไม่เป็นไรนี่หมายว่านั่งกับยุดสองคนแสดงทำกันไอ้นี่มันชักยุ่งๆเหมือนกันเน่ะถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าหน่าก็จะยุ่งๆเห็นนักชานโลกีเนี่มนยมันก็หลุดง่ายเหมือนกันเพื่อความไม่ประมาทท่านได้ยับอย่างไว้ก็ลงความไม่ควรทําเลยก็แล้วกัน ถ้าทำไปแล้วความมัวหมองไม่เกิดมันก็ตัดมา ก, กัดผลการเจริญกรรมฐานก็ไม่มีความหมายก้อดีแปดพิสุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแกนุบสัมบันต้องปฏิสีนีได้ชันโลกีได้เป็นพระอริยเจา้านันมีจริงในอันในใ น, ในประราชิตนะไม่มีจริงแต่นี่มีจริง ก็บอกกับเขาว่านี่ฉันได้ฌานสมาบัติอะไรก็ตามได้เป็นป้าเรียจ่าฉันไหนก็ตามเป็นป้าจิตถี่ตอนี้เพราะอะไรเพราะร่ากายไม่สมควรตามที่กล่าวแล้วดะงนั้นพระที่เขาได้เขาจึงนิ่งนะเขาไม่อยากจะพูดนอกเจายจะจับได้เขาจับไปที่อยากจะรู้เองก็รู้ไปไม่รู้ไม่ได้ก่นแล้วกัน ถ้าเราเอเรารู้ว่าใครเขาได้แล้วก็มีคนเลื่อใสายเราบอกความจริงที่เราบอกแ้าบอกเรื่องคนอื่นแต่ว่าต้องรู้ว่าเขาได้จริงจริงแน่ใจรูอว่าเข้าใจวันใดแต่ว่าเอิงท่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ว่าเขาไม่ได้เราก็ยังไปบอกเขาด้วยอีแต่อย่างนี้สิมันจะก่อให้เกิดโทษหนักหนักมาก ไอ้อวกันแบบนี้นี่อวย่าอง์นั้นเป็นพรโสดาอุนีเป็นสิิธาคานั้นเป็นอนาคาแต่ถึงองนั้นองนั้นก็บอกองนี้หนึ่งนั้นก็เป็นพระโสดานาคาอะไรก็ตามแบบนี้มีนามาในวัฏธรรมบทคือเรื่องของปรายชิตเพราะพระที่อดเข้าอดปลาเข้าแค่บ้านก็ไม่ให้โดยเข้ายากหมากแพงก็หายยากนี่ทำยังไงปรึกษากัน เวาคืนทำท่านนี้อดตายเข้งี่กว่าคุณใครก็มาแล้วก็คุณบอกน่ะว่าผมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ผมกาจะบอกว่าคุณไป็นอรหันต์เหมือนกันแล้เป็นโซดาศีธาขานั้นได้ฌานสมาบัติใครก็ได้มีความเลื่อมใสเวลาชาบ้านมาจริงๆพระทั้งบอกก็ตั้งท่าทำมินเคร่งแล้วก็บอกใบบอกหนดองนั้นเป็นพระอรหันต์นะองนั้นเป็นพโสดาณ์นะ คนนั้นไปนยังนั้นคนนี้ไป ต, ต่างคนต่างยกย่องสิ่งกันเลยกันตอนนี้มาเวลาออกษรรภะพระพุนั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าธมรมะสบายดีหรืออาหารการบริโภคมันดีหรื อ, อยังไงพระพวนั้นก็เลยบอกไม่ไหวตอนแรกไม่มีกินพอ บ, บอกแนะนําเงินเข้าแบบนี้อาหารเยอะพระพุทธเจ้าจะทรงบรรญัติข า, าบที้ขึ้น แล้ต่อไปถ้าใครโอดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนเรา ป, ปรับกลับไปอวตราชิคาชจวิสุภาวะเสร็จเลยแต่ว่าคนต้นมันหยัดทาไมกลับถือว่ามีเป็นเหตุสร้างเหตุให้เกิดขึ้นเป็นคนสร้างนี่ดีขาบดีสิทธิสุขดีใช้บุญอื่นขุดดีซึ่งแผ่นดินต้ อ, อวบตายตอยู่ดีหยุ่งแล้ว ขุดดินนี่แรลวบัดไปยึดตีเพสมัยนั้นเขาคือว่าดินมีชีวิตแต่เดี๋ยวนี้น่าควรจะไปไม่รอดแต่ว่าเท่าเขาเราขุดเพื่อสร้างสรรค์อย่างที่เขาสร้างขุติสร้างบทที่หายกา ร, รเรียนไอ้เรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากนอกจากชาบ้านเขาคิดว่าท่านดินมีชีวิตต้นไม้มีชีวิตไปขุดเท่าชาวบ้านเขาติเอาเขาพูดจาวเลยบอกเออทางนั้นก็จะทําเลย ปรับไปอมาตยิตีอันนี้ไม่เป็นไรยักษยังนี้นเป็นก็แสดงโทษมาผมไม่ทำเขาแล้วไม่เป็นเรื่องอันนี้มหมดมสาว า, าวัตนี่หมดไปอ๋อ่หมดที่สองพธค ม, มาวธคมนี่อ๋อพุพุธคมนี่เป็นมรรที่สองในสิบสาบท ที่ขาตัวที่หนึ่งที่สุดปาาของเขียวเส้นเกิดกับที่ให้หลุดจากที่ตรงปลายจิตตีหมายถึงยอดหญ้ายอดไม้เนี่ยใบไม้ใบหญ้าไม่อยู่กับที่ของมันถ้าเราไปดึงมันออกมาแป็นบาดเป็นเป็นบาดปายจิต ต, ตีแต่ว่าถ้าได้หญ่าวัดทําไมวัดเตี้ยนต้นไม้มันขึ้นรกเจดีหรือมีหันการาเรียนตัด ต้องเป็นอวบปลายจิ ต, ตีแต่ประโยชน์มากกว่าทําำผลทําได้อันนี้ทําได้ทําให้เกิดประโยชน์นี่สิขาบทที่สองพิโสประพุทธอนาจารย์สงฆ์เรียกตัวมาถามก็แกล้งพูดพกเปลืองก็ดีนี่เสียไม่พูดก็ดีสงสวดประกาศข้างข้อความนั้นจบต้องปลายจิตีอนาจารย์ทําไมเดินแก้ผ่าดองทองเล็งเล่ น, ลนยางเล็ก วิ่งเล่นบังโดดน้ำบังไม่ท่านอาจารย์แค่ผ้าอย่างเดียวทาเหมือนชบ้านเขาทํากันพระมันทําไม่ได้ดีไม่ดีจะมันลอยหงายตากเหยือกในสถานที่เขาจะเดินพระกรรมฐานนีมันก็ใช้ไม่ได้เนีย่ยนี้ก็ไปทานอาจารย์เดินเล่นอย่างชงบ้านก็ไปทานอาจารย์โดดน้ําเล่นดิ่งเล่นหรือเราเล่นปูดีปูยำ เป็นกิริยาที่ไม่ควรสาหรับสมนณวิสัยสงห้ามแล้วก็ไม่ฟังจึงทําต่อไปเป็นบัติใจจิตีอย่ามีเข้าใจว่าเกิดเป็นสัติระชานสิสขาบทนี้เป็นแน่ถ้า่าผู้ยี่ผู้ยามนาจารย์มาลงนรกไปเลยเพราะว่าทำกิริยาเขามาส่งให้เสียนี่คือขาบทที่สามพิสุตีเตียนพิสุอื่นที่สองสมมติให้เป็นผู้ทําการสง ถ้าเธอทําโดยชอบตีเตียนบอบเปล่าต้องปฏิบติทําการสงให้ก็แจกเหล่านี่มณพระบางทําหน้าที่ก็สงบ้างเขาทําหน้าที่โดยดีแต่ตัวอิจฉาเขาเนี่ยแกลงตีเตียนต้องซะถ้าไม่เสียชื่อสีเสียงก็ตงเป็นปฏิบติอันนี้ก็มันเป็นลงไงมูมสาวว่าก็าสอเสียแต่มาลงนรกไม่ต้องห่วงอย่างบบปลาทอง่ ลงไมรบไ ป, ปตีถือว่าเล็กน้อยนะนี่พระผูเราใครเป็นี่บางนี่บวชจิ้มนานเท่าไหร่นะ ถ, ถ้าทำตัวเป็นแบบนี้แล้วกไม่ต้องห่วงเราไปล่องแก้วพี่ขาบดีสีที่สือเตียงต่างผูกกุองอี๋ของสงไปตั้งในที่แจงแล้วเมื่อหลุกไปจากที่นั่นไม่เก็บของเองก็ดีไม่ใช่พวกอื่นเจ็บก็ดีไม่อไมอบหมายแก่พวกอื่นก็ดีต้องเป็นป้าจิตตี ของสงคือขอส่วนกลางมีเอาเตียงตั้งผู้เก้า อ, อี้โดยในร่มข้อของใช้มีอเอาแต่เพาะเท่านี้นะในมหาประเทศอา น, นลมพระเสียงใดที่เข้ากันได้ถือว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยเอาเขาไปตั้งไปนั่งไปเป็นนอนนั้นไม่เจ็บของสงเป็นของส่วนกลางท่านปรับเป็นโทษอันนี้ลงนรก ที่จะไปฝืนเขานะก็ทีห้าไปสูเอาที่นอนของสงไปปูนอนในก็ดีสงแล้วเมื่อหลุดไปจากนั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช่ผู้อื่นเจ็บก็ดีไม่มอบหมา้แต่ผู้อื่นกนดีต้องปายูา่วีนี่ในที่มุงที่บังแต่ไม่เจ็บแท่งก็แปลกนี่มันก็ไม่อยากนี่ไม่ต่อทิ้งใบมันเสียเวลา สินค้าบทชัดอยู่แล้วนี่ข้อดีหกพิสุรู้อยู่ว่าคุณดีนี่มีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดไม่หวังจะให้ผู้อยู่ก่อนทับแคบใจเข้าประเดี๋ยวหลีกไปเสียเองต้องเป็นป้ายดีจรินี่แกล้งเบียดคำว่ า, าเบียดนี่ามาันไม่ใช่ต้องไปนอนเบียดถ้าไปอยู่แล้วสร้างเปล่านำคาในกับคนเกา่าคนเก่าเขาอยู่มาก่อนแล้วที่มันจํากัด อย่างนี้ไปอยู่เพื่อแกลงนะถ้าไม่แกลงไม่เป็นไรถ้าก็อยู่เดียวก่อนแล้วก็บอกว่าไอ้ผมอยู่เ้วยคนได้ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่เราก็ต้องสารสารักษาระเบียบไม่สร้างความรังคาให้กับเขาอย่างนี้ไม่เป็นไรที่ไปเพื่อแกลงที่ตัวนี้มันดีเนี่ยฉันจะเอาแต่หากเขาเข้าไปแล้วก็เป็นอันบัตรไปจุดดีไอ้ตัวนี้ลงนะก ไอ้ตัวแกล้งนี่มันมาจากโทโทสยยายไอ้โทสายฤๅษีสายเนี่ยมันตัวเดียวกันเรื <c oughs> อ่อใจมันเลวใจมันร้อนไม่เป็นเรื่องอย่าทำนั่นลงนรกข้อนี้ <c oughs> มีปัจจิตีมันมีโทษไม่เท่ากันเจ็บปีศาโกรธเครืองปสศาอื่นโกรขลาล่ออะไรเอาจากุดีสงตบอมาปัจจิตี นี่ถ้หาว่าเขาเป็นน้ำอมตะประราชิ่งสังฆาริเศษไล่ออกจากที่ประชุมธนกรรมได้แย่างพมคลาธรรมแต่ว่าอยู่ๆโกรธเครื่องบอกไอ้นี่ไปไปไปปกตินี่ฉันอยู่ก่อนไม่ได้แกไปเขาไม่ไปดึงออกไว้ไล่ออกไปนี่อย่างนี้แอมบัดไปยอยู่ตีตนี่นี่เขามาโกรธไปด้วยไอ้ตัโกรธให้ตัวนรกจำไม่เชีว่วลงนรกนี่ดิขา บ, บทีแปดดิสูน์ 0, นั่ง ทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนต่างก็ดีอันมีเท่าไม่ในตรึงให้แน่นสิ่งก็วางไว้บนร่างร้านดีเขาเก็บของในก็ดี <c oughs> จ้าบัดไปนี่จ้าบัดไปจิตตีอันนี้ไม่มีอะไร <c oughs> แต่พระเจ้าจงกลัวจตกมาค้าหักหัวแตกเรียกว่าต้องเป็นคนเรียบร้อยม้นเป็นคนอดทน พระสงไมนี่ต้องเป็นคนมีสติสมไม่สัญญาสมบูรณ์ไม่ใช่อยู่ๆเสียงเอ้าอ้าวไม่รู้ว่าใครเขาจะรัคคาแล้วไม่รําคาเนียไม่ไม่ได้ฟังเสียงถือว่าเขาววดก่อนเขาแกเนี่ทำอะไรก่อนได้ไอ้แบบนี้รอเวจีกันับไม่ทุนอากาศวิสุธเจ้าดินฤาษอปูนโบกลังคายกุติ เพิงโบกได้แต่เพียงสามชั้นได้บอกเกินกว่านั้นต้องมัดไปจุติเวลานี้ถ้าไม่มีแล้วเวลานั้นเขาทํากุติใน ด, ดินเหนียวนีเวลานี้ไม่มีคนนี้ยบยอดไปต่สิทธิสูรู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์เอามารดยาหรือ ด, ดินต้องปาจุตินี่ปาจุติตัวนี้ลงนรกถ้าน้ำมีตัวสัตว์มารดยาหรือ ด, ดินสัตว์มันก็ตาย ตายก็ลงมารกไปอันนี้สบายมากอันนี้ไม่ควรจะทำแต่นั้นในสมัยเวลาบวชเขาจึงให้มีหม อ, อ ก, กรองเครื่องกรองน้ำก็มีไว้เวลาเดินทางก็ต้องติดตัวไปด้วยเวลาจะกิงก็ต้องใช้สมัยด้วยผมบวชใหม่ๆห ล, หลวงพ่อปานหลวงพ่อเล็กเนี่รู้สึกว่าจะตรดจพระอยู่เสมอ ดูไม่มีเครื่องกรองน้ําไหมบางทีท่านก็ทําไม้ตุ่มประจํำตัามตุ่มต่างๆแขวนไว้เวลาจะกินน้ําก็ใช้หม้อกรองหยดลงไปให้น้ําซึ่งก็มาผ่านผ้าแล้วก็เอาน้ํานั้นามาใช้แบบนี้ทันต้องกันพวกเราจะไปอันบัตประเทศนี้นี่ก็สมมติอย่างน้ำในหม้อกรองของเราเนียเครื่องประปาเนี่ไม่เป็นไรลเพราะนี่เรามีหม้อกรองอยู่แล้วมันไม่มีตัวอะไรโผล่มันได้แล้วก็เป็นน้าําบานดา ถ้าไม่ใช้น้ำบันดันถ้าเราใช่หม้อกลองใช้เครื่องสูบหัวหม้อนี่คงก็ใช้ลวดในลวดมุ้งลวดเว่าะไม่ให้ตัสัตว์ลอยขึ้มาได้ที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่วิถีที่แข็งอย่างอื่นนอกจากจะพักมันไม่เข้าบัรยัติในโหัวสูบก็ป้องกันสัตว์ตัวเล็กๆที่มันจะเลื้อยข้นมาน้ําไม่มีแรงบัลพะหมายว่าน้ำบรรด์มีแรงสู้ไม่เข้ามาจะได้มาปัลพะก็อีกลวด ที่มันมีความถีมมากแบบนั้นตัวสัตว์มันก็ไม่เข้ามานี่เราเป็นการป้องกันเขาไว้ฉะนั้นแต่ว่าสําหรับน้ําฝนที่มีในตุ่มไม่แน่นักอาจจะมีลูกน้ําอยู่ถ้ามีลูกน้ําอยู่อันตรายหนักเอะไรสำหรับวันนี้ก็มันจบแค่วักนี้แล้วต่อไปมันก็ไม่ไหวเราข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เราจะขอสู่ไปว่าวิ่งในทุกหอเนี่ยที่กล่าวมาโดยยอดไม่ได้า ย, ยาวๆอย่างเขา ก็ไม่ต้องการให้พวกท่านฟันเฟือเกินไปเราเป็นพระต้องทําตัวให้หนักแ้านระเบียไนม่ใช่จะมานั่งหาทางแก้ทางไขเรื่องอยางน้นเรื่องอย่างนี้ไอ้เรื่องเรื่องนี่มันเรื่องเพื่อลงนรกอย่าไปปฏิบัติตามความเลี้ยงความเลวซามประเป็นี้จงอย่ามีแกเราเราพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอโยติว่าตยติไว้แต่เพียงเท่านี้ อสำหรับวันนี้เราก็มาตอบบ่อขบวนัยกันตอ่อไปอวันนี้มาว่ากันถึงว่าโอวาทวรฒน์ T มีสิบสิคราบทมดเหมือนกันโอวาทวรฒนนี้ก็ได้จะบทที่กล่าวกับโอวาข้อที่หนึ่งความจรงิงโอวาทวัฒน์ในโคจะไม่มีใครถูกกันสนแล้ว ว่านามพิสุณีจะไม่เคยจะมีเนี่ยเราะว่าไปย่างั้นไม่มีก็ไม่ต้องอธิบายเราะว่าเป็น แ, แบบเบาๆพีกขาบทที่หนึ่งพิสุทธสงไม่ได้สมตสมติสั่งสอนนามพิสุณีต้องบัตรตายิตีไม่มีแล้วผ่านไปหาพิสุณีสอนไม่ได้แลยหาบัตรไม่ได้พีกขาบทที่สองพิสุทธิสงพิสุที่ ส, สงสมมติแล้ว ตั้งแต่ที่ตกเวแล้วสอนนามวิสุณีต้องปลาจิตตีนี่ก็ผ่านไปเอาเข้ามาสอนล่ะสามวิสุเ ข, ข้าไปสอนนามวิสุณีทิ้งที่อยู่ต้องปลาจิตตีเว้นไว้แต่นามวิสุณีเ็บนี่ก็<ต>ยกยอดไปสี่วิสุตีเตียนวิสุเห็นว่าสอนนามวิสุณีเราเห็นเจริญต้องปลาจิตตีความจริงเรื่องของนามวิสุณีนี้ควรจะสงเคราะห์ กับผู้หญิงเขาด้วยนะถ้าเขาท่านไม่ทํากับนางวิษุนีแล้วก็เจาไปทํากับผู้หญิงเหมือนกันมันจหนักกว่าสิวิษุนีเป็นพระโปดเดียวกันเรื่องวิสุนีนี่ไม่มใคยต้องตระวังเรื่องผู้หญิงเกี่ยวผู้หญิงเพราะผู้หญิงกับวิษุณีมีเพศอันเดียวกันมี่สิขาบตี 5, 5นนหน้าให้จีวอนกับนางวิษุนีที่ไม่นชิญา ต้องปราจิตีเว้นไว้แต่แรกเปลี่ยนกันีอา้าวมาเก้่ยวกันนะทีไปติดต่อทางเพศเวลานี้พวกเถรพวกจก่ยุ่งยุ่งเหมือนกันพวกเถรพวกจีเมเคยเจะเรามองกันไปมองกันมามองกันมามองกัไนไปเจริญพระกรรมฐานมีโรคไม่เป็นเรื่องพี่ขาบที่หกพี่สูตรเอ็ตีวยขนน้ำพีุ่ณีพี่ไม่ใช่ย่ารกดี จะให้คนอื่นยกบคนดีต้องปราจิตีมีท่านห้ามไปแต่ต้องกันนะผู้หญิงกับผู้ชายนะพระผู้หญิงกับพผู้ชายดีไม่ดีเดินโผล่มาไปส่งข้ากันนาดเข้าเนเยนับโผลหน้าออกมาพี่ขาบที่เจ็ดพิสุชวนนามพิสุนีเดินทางด้วยกันที่งระยะ บ, บ้านหนึ่งประมาทปราจิตีเป็นไว้แต่ทางเปลี่ยวก็าไม่มีนามพิสุนีแล้วแต่พิสุชวนานามพิสุนีลงเรือลําเดียวกัน ขึ้นน้ำก็ดีเล่างน้มก็ดีต้องปฏิบติเป็นไวแต่ข้ามฝากมีหมายว่าความไปจะตามลําพังก็ไม่มีนามพิสุนีไม่ต้องอธิบายการพิสุเฉ่งของเชื่ยวของฉันที่นามพิสุนีบังคับให้ครหัดเถวายต้องปฏิบติเป็นไม่แต่คระหัดเขาเริ่มไปก่อนนี่ก็ไม่มีก็ดีสิจ้างก็ดีมันก็นดีในที่รับสองต่อสองกับนามพิสุนีต้องปฏิบติ หมดสิทธิขาบมดมินี่ก็ไม่มีใครเป็นอำบัตรื่อนาำพิสุนีก็ไม่มีกระบะ จ, จะยกเลิกก็ไม่ได้พระพุทธเจ้ามาได้บอกให้ยกเลิก <c oughs> นี่ว่ากันหมดที่สี่ทวักที่สี่ต่อไปเรีโพชนาวัคมีสิทธิขาหมดนีอาพวกเราแน่เอาแน่ก่อนนี้เรี่ยวการกินก็สิทธิขาบมดที่หนอาหาร ในโรงทานที่ทั่วไปไม่มีไม่นิยมบุคคลที่สุขไม่จะไข่ฉันได้แต่จะเพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างคือกินวันเป็นวันต่อไปฉันอีกถ้าฉันปิติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปต้องปาจิตตินี่เรื่องการกินนีมันก็ย่งอาหารในโรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคล หมายได้อาหารแบบเพศไหนกันนะโรงทานแบบเพศไหนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะในโรงทาน ท, ที่ทั่วไปไม่นิยมบคุคคลแต่เขาจะตั้งไว้ทาเกลือเลยที่เป็นอันวัดในโรงทานที่ไม่นิยมที่เป็นการไม่สมควรบคุคคลก็คือว่าโดยเฉพาะเขาทำไม่เฉพาะ เฉพาะในบุคคลผู้ของเขาว่าอาหารประเภทนี้เฉพาะผู้ของเขานั่นที่เขาจะกินกันได้ไม่นิยมในบุคคลที่เป็นสาธารณะทั่วไปนี่เราย่องเข้าไปฉันวันหนึ่งตรงเว้นที่วันถ้าฉันนั้นเล้วสองวันติดติดกันไปต้องเป็น้ำบัดตายจิตตีอ้ น, นี่โทษก็เป็นการรักษาน้ำใจกันเราก็ได้เจ้าจะมี ท่นเป็นสัพท์เ ป, ปยู่ทามีความรู้ดีความจริงอาหารประเภท น, นี้เขาจะต้องมีไว้จํากัดมันไม่เป็นสาธารณะไม่มากใหม่นะนี่ต้องดูงในการกินนใะว้าในการกินเพราะที่เราโมบลุบมากในการกินกันเราตั้งมตามตะวังไว้ก็เราก็พอจะมีบ้างมั้งแต่ใครมีแล้วก็จําไม่ดีในะเรื่อ ง, งกินกินอย่าบกินแล้วมันดีนะกินมุมูมัม ม, า ม, ามัม กินสุกกระป๋กมือตะไคร์ควานลงไปมีเนื้อมีปล า, าอะไรกินนี้หมดเก็บไว้แต่ผักอย่างนี้มันเร็วกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทดีครับใครเป็นพระกันูนนละลง น, ลงนรกไป ส, สบายๆไม่ใช่พระให้เจ้าเลยโดยกลมโดยกลามแบบนั้นไม่ใช่ประเภทสัตว์เลี้ยงเลยใส่เขาปล่อยมันอดอยากมากนี่ทีขา่าบทที่สองท้าทายยกเขามานิมนทร เอาชื่อโภชนะห้าอย่างคือข้าวสุขกขนมสดขนมแห้งปลาเนือ้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของนั้นมาหรือแข่งของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปเป็นไปต้องปฏิบติเป็นเวทแต่สมัยคือหนึ่งเป็นไข่สองหน้าจีวรการหน้าจีวรการก็รู้แล้วสามเวลาทํำจีวรสี่เดินทางไกล อ้าไปทางเรือหกอยู่ด้วยกันบินดาบาตไม่พอฉันแล้วก็เจ็บโพยนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่งคำว่าโพยนะเป็นของสมณะนี่หมายความของที่เขาถวายเข้ามาแล้วลเราเก็บไว้ในโรงโรงโรงพัดตาหารอันนี้เขาออกชื่อได้ถ้าออมาอย่างนั้นก็ออกเชื่อว่าคุณไปฉันเข้าตมดิ นอฮะตอนที่เราบอกว่าฉันก็ต้งกันในโรงอาหารนี่มันเป็นของของเราอันนี้มันที่บ้านเขาอ่ะนี่ไปใช้ฉันขนมที่บ้านไปใฉันขนมแห้งขนมสดนี่จะแกงปลาร่อยแกงเนื้อแกงไก่ให้นี่ถ้ารับคนแล้วก็ไปฉันของนั้นพร้อมกันนั่งสีรลูกกันไปถ้าไปองค์เดียวไม่เป็นไรนี่ถ้านยังกัดไว้นะ เราสีู่กคนตายเป็นคณะสงฆ์ของก็เปลืองมากเป็ไม่เดียวข้าวสัตว์ตั้งหลายตัวไม่เป็นเรื่องอันนี้คนเวน้นม่เรื่องจีนนี้ระวังให้ดีนะยาวมุมมามันนะักเป็นพระชั้นย่างพระถ้าเรายังมีความโลภกลางจี น, รนลรวก็รีบศึกไปซะได้ชมบ้านก็เหมือนกันนะแนะนำไปด้วย ชาว บ, บ้านที่อยู่ในวัดนะ่ะอยากกินนูนอยากกินนี่ก็อ้างบอกว่านี่พระมันจะฉันนี่นายก่อยพระนี่ก่อยพระแต่ความจริงพระไม่ได้บอกทําเพื่อประสงค์ในการกินเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแต่ความอยากจะมีอยู่รีบออกจากวัดไปเซะมันเป็นของสงลงอาวจีมหานรกให <c oughs> ้ระวังชาว บ, บ้านที่อยู่ในวัดนะให้ระวังให้มากแต่ของอย่างใดที่เป็วิขาสาโทเป็นเด่นจากพระฉันมาแล้วอันนี้ไม่เป็นไร เลือกฆ่าข้าวในญาติแล้วไม่เป็นไรถ้าต้องดูให้คดีนะไม่ได้อยากกินแล้วไปบอกไ่าฉันจะทําอย่างนั้นฉันจะทําอย่างนี้เสร็จเสร็จกันไปไม่ว่าลงนรกกันเอาเวจีนะไม่ใช่นรกคุมอื่นนี่สนับพ่อที่มุมมา ม, มยังไม่ขี้เหมือนกันลงนรกนี่ข้อสามดีสุรติมลอย่อื่นโดยโคจะนะฮ่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่ไปฉันที่นิมนต์นั้นไปฉันเชื้ที่อื่นต้องไปยึดตีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่นิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แกพิอุศอื่นเสียเรื่อหน้าการเจีวรเวลาทําจีวรโดยไมไปรับนิมนต์เขาแล้วไม่ไปทําปฐาไทยเขาเสียไปทากําลังใจเขาเสียเว้นไวเดียวกัว่ามารับนิมนต์แล้วถามว่าถ้าไปไม่ได้เนี่ยแจ้งคนอื่นไปแทนได้ไหม แต่เขารับก็ได้เคยรับระบบไม่ได้ท่านจำไปจํากัดอย่างนี้ไม่ควรรับถ้าเราจะไปไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันทําจิตใจเขาให้ไม่สบา ย, ยาก็าเหารังเกียจนะอาหารของเขาเว้นไว้แต่ให้คนอื่นไปแท น, นหรือหน้าจีวร อ, อาการช่วเวลาหาจีวรหรือเวลาที่ทําจีวรอยู่มันไม่ว่างพอให้คนอื่นไปแทนไม่เป็นไรท่านบอกเลยว่าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไร นี่ก้อนสี่ที่สุเข้าไปบินา บ, บาตในบ้านถพายกอ้กอนขนมมาถวายเป็นอันมากจะรับได้แต่เพียงได้อย่างมากเพียงสามบาทเท่านั้นถ้ารับเ ก, กินเท่านั้นต้องไาจิตตีของที่รับมาเช่ น, นั้นต้องแบ่งให้ทิ่สุอื่นหมายความถ้ารับมาถึงสามบาทนะ่ะไม่เป็นอันบาทแต่ต้องแบ่งให้คนอื่นไม่ใช่มานั่งกินคนเดียว กินคนเดียวไม่ได้กิงคนเดียวได้ต้องรับมาน้อยๆกินคนเดียวนี่บบเราเพศชักข้อป่านี่เหมือนกันได้ของมามาเก็บเทควุติตัว ก, รกรารณ์แบบนี้นี่ไปไหนนี่ใจไม่เป็นพระลงนรกสิสบายไปยึดตีนลงนรกจะนึกว่าแบัตรเล็กน้อยไม่ใช่แัตเล็กน้อยเลยไอ้ความจริงเชื่อบัตหรือจะเล็กน้อยไปถามพวกนักปริยัติเวลานี้ขบวะเล็กน้อย แต่เาว่าพวกท่านบด้ทิฏฐิจุภูยานหรือ ว, ว่าได้มโนวิธิหรือ ว, ว่าได้ปัญญาสมาบัติถ้าไปตรวจดูในเมืองนรกในแดนของเปรตสิพระโพนีลงเป็นเกลือ่อนหมดดีบุตรท้าแล้วเสจออกไปได้โทษถึงความเป็นพระมนเมียตามไปเล่งงานอีกเลยนี่พระพุทธเจ้าตรัสยังไงปฏิบัติตามนั้นจะหาทางออกหาทางหลีกหาทางเลี่ยงลแล้วก็เสกดีกว่า เลกไปทั้งตัวเลยจะเอาจีวรเข้าไปปักเจ้าเครื่องแบบของพระพไท้เจ้าเข้าไปผสมใ้ความเลวอย่างนี้ไม่มีในเขตของพุทธศาสนาถ้าเราไปทำเข้าก็อยาหาว่าพระที่ดีๆก็ เ, เลวไปด้วยที่ไม่เป็นการทำลายศรัทธาคือกั้นความดีเขามันดาท่าพุทธบริษัทลงนรกแ น, น่นอนนี่คือขาบัวตี่ห้าพิสุใช้ข้างอยู่มีพู้โคชนะห้าย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาไปกินห้ามเสียห้ามกีนแล้วลุกจากที่นั่งนั้นแล้วชั้นของเสี้ยวของฉันซึ่งไม่ได้เป็นเด้งของพิสุขให้หรือไม่ได้ทำ ม, มีนาการรมต้องปาฏิตรีมีหมายความกาลังฉันอยู่อะไรก็ตามที่คุ้ับสมณบริภคนี่มีใครก็มาถวายบอกใหย่าห่หยา่าพอแล้วพอแล้วอิ่มแล้วตัวลุกจากที่นั่นไปไปกินอย่างเลยก็อิอ อันนี้เป็นการทำลายศรัทธาความดีของเขาเป็นอบนัดปาจิตตินี่ให้ทำมันเขาติเตียนไม่สมควรผมว่าทำบ่อยๆทำแบบนี้บ่อยๆนี่แสดงว่าใจมันไม่ดีแล้วใจมันเลวใจมันโมหมองพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเตสังยิเทศทุกติปาดิการาเมื่อจิตใจเราสมองตายแล้วก็ไปอ บ, อ, อบายภูมิ นี่ห้ามเขาบอกพอแล้วเอารกไปกินใหม่ายมันเร็วจัดลงมารกไปเอลกกอลมารกพวกอไรมันลงมารกไหลยอย่างดีไม่ดีเขาบ่ายเขาไปนินทาเราก็โกรธเขาอีกเอาให้อีกตัวมม่มองให้ อ, อียฉันนี่ข้อดีอกพิสุรู้อยู่ว่าพิสุอื่นห้ามข้าวแล้วตามทีศฐาบทหลังเพื่อห้ามแล้วนะหมายความพอพอบอกว่พอแล้ว คิดจะยกโธเธอแร้เอาของเคี้ยวของฉันที่ไม่ได้เป็นเด้งเขาไม่สุขให้ไป่อยเธอฉันเธอฉันแล้วต้องปาจิตตินี่คนกินไม่เป็นปาจิตีิแล้วก็รู้เข้าใจว่าเป็นเด้งเขาไม่สุขให้แต่ความจริงผมเองก็คิดว่าถึงแม้ว่าเป็นเด้งไม่สุขให้ก็ไม่ควรกระทำเพราะมันเป็นมัน ญ, ญาตกนนี่ข้ออกนี่ไม่กล่าวทั้งพวกกินกล่าวทั้งพวกขแข่ง จะอยากจะให้เขาเป็นอันบัตอย่างนั้นน่ะแต่ความจริงบอกว่านี่เป็นของเดิงเขาไม่สุขใข้ความจริงไม่ใช่เป็นของใหม่แทนนี่คนจริงจะเป็นอันบัตปไายิติคนจรินจะอิ่มสบายคนแกล้งเป็นอันบัตปลายิตินี่ในมีความละเอียดจะออสุขผมมากก็ระหว่างเรื่องกินไม่ว่ากันเรื่องกินโดยเฉพาะเจ็ดที่สุขฉันของเชี่ยของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิกาลนี่ โอสมโอก็ดีแตงโมก็ดีไอพวกของที่เป็นของเสียของฉันที่ท่านหามอะอะไรก็ตามที่จัดเป็นอาหารคือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจนถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงวันใหม่ต้องเป็นปยจิตตีเห็นไหมไม่เคยได้ยินนะเคยได้ยินวันหล่อแตงโมงบ้างเคยเล่าสมโอก็บ้างหลอด ล, ลิ้นจีก็บา้างกินกระยาายก็บาง ตันี้ลงนรกเป็นแถวนี่บทนี้ลงนรกเลย น, นี่มันสู้ครหวาสเขาไม่ได้ใา้ฆราวาสเขาานั่งยังไงมาว่ายัยางไงฆราว่าสที่เข า, า, ข า, าสาวโบโสดเตลสีนี่เขาทำได้ถเราทําไม่ได้เราก็เลวกว่าฆราวาสอันนี้ไม่มีอะไรยากนี่คืาบที่แปดพิสุขฉันของเชี่ยวของฉันซึ่งเป็นอาหารซึ่งรับประทานไว้ข้างเขืนจะต้องเป็นฝ่ายจุดตี นี่หมายถึงว่าเรารับประเคียนไว้เองนะ่ะอย่างพวกอาหารเนี่ยไม่ใช่เพียสัตเพี้ยสัตมันเป็นยาประเดี๋ยวก็จะถึงแล้วพ่อแม่จะรู้ถึงว่าประเภทไหนเป็นยาประเภทไหนเป็นอาหารถ้ารับไประเคียนมนแล้วเก็บไปเองใต้เด็กไปเก็บมันขาดประเคียนนะไม่เป็นไรถ้าเก็บไปเองอย่างนี้พอค้างคืนจริงก็ไปอีกท่านกลับไปบบัดภายกิจทีหาวสัชสมอาหาร ที่วค้าบดีเก้าวิสุ ข, ขอปชนะอัตตานิปคือเข้าสุกเท่าคนไม่ไเลยเนยใสในคนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลานเลนื้ยนมสดนมส้มตอลอดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรบารณาเอามาฉันแมนวาดไปดีๆอันนี้ก็ตอนน ล, ลมโดยหลักมหาประเทศคืออาหารอย่างดีๆที่เขานิยมกันในปัจจุบั น, นที่่านพูดแบบแบบแขกแ จะในดินแดนนันเข้าทําแบบแขกนี่เราโนโลมันกันในปัจจุบันว่ามันคล้ายคลึงกันแบบนี้ไปอาหารชั้นดีไอ้ที่เรากินนี่มาอาหารตามเขาให้มันไม่เคยชอบใจบอกนี่ทาให้นั่นเตอะทำไม่มี่เตอะที่มันดีก